ช่วงเวลาอาหารนะก็ให้ลองสังเกตใจของเราไปด้วยคนส่วนใหญ่เวลาเคี้ยวอาหารนะใจมันก็กินอาหารของมันเหมือนกันก็คือมันเสพความคิดนะ ปากก็เคี้ยวใจก็เสพความคิดคิดโ น, โน่นคิดนี่ใจมันจะลอยไปได้ง่ายหรือเกินให้เราลองสังเกตดูความคิดนี่มันก็เป็นอาหารของใจนะเขาเรียกวิญญาณอาหารนะอาหารมีไม่ใช่แค่อาหารที่เราเคี้ยวทางปากเท่านั้น ผัสสอาหารอาหารของผัสสะอาหารคือผัสสะนะอันนี้ก็เราจะไม่สังเกตนะแต่เวลาเรามาปฏิบัติหลีกเลนเก็บตัวอยู่ในกุฏิหรือว่าบนทางจงกรมใจมันจะโหยหาแสงสี อยากจะฟังอยากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารพอไม่ได้เสพภาษะที่ว่าเนี่ยมันก็จะง่วงเหงาหานอนนะหรือว่ามันก็จะมีเกิดอาการดิ้นหลนอยากจะไปสัมผัสรับรูบร้แสงสีหรือว่าอยากจะไปพูดคุยกับผู้คนความอยากจะพูดคุยกับผู้คนเนี่ยคือมันต้องการไปเสพอาหารที่เรียกว่าภาษาอาหาร วิญญาณอาหารก็เหมือนกันนะมันก็อีกแบบหนึ่งใกล้ๆ ก, กันก็คือเวลาเรากินอาหารเราเคี่ยวข้าวแต่ใจมันก็ไปเสพความคิดประมาณ 80% ดสิเอร์ซนหรือเก้าสิบเอร์เซยคำของคนส่วนใหญ่ที่กินอาหารเนี่ยใจมันไปเสพความคิดตอนนั้นจะเรียกว่า ล, ลืมใจลืมกายก็ได้ ไม่รู้ตัวว่ากำลังกินอาหารอยู่กินอะไรไปก็ไม่รู้ก็ เ, เคยมีการทดลองเอ า, าอาสาสมัครนี่มามานั่งเรียงกันแล้วก็กินซุปมะเขือเทศชามใหญ่เลยอาสาสมัครก็ไม่รู้ว่าให้เขาให้ทำอะไรนะให้กินก็กินโดยที่ไม่รู้ว่าไอ ชามเนี่ยใต้ชามเนี่ยที่ใส่ซุปเนี่ยมันมีท่อที่จะส่งซุปมาเรื่อยๆอาสาสมัครก็กินช้อนแล้วช้อนเล่ากินไปนานนะก็ไม่สังเกตว่ามันไม่ยอมหมดสักทีมันแค่ยุบนิดหน่อยนะก็ยังกินต่อไปอีกนะ ไม่มีใครเฉลวใจเลยว่าเอ๊ะทำไมกินตั้งนานแล้วทำไมไม่หมดชามสักทีเพราะว่าระหว่างที่กินนี่เขาก็ปล่อยซุปมาเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดไม่มีใครสักคนที่เอกใจหรือสงสัยว่าทำไมกินเท่าไหร่ซุปไม่หมดสักทีทำไมถึงไม่มีใครเอกใจไม่มีใครเฉลียวใจเพราะว่าตอนนั้นใจลอยใจลอ ย, ใจลอยเคียวไปตัก ตักซุปใส่ช้อนอาศัยปากช้อนแล้วช้อนเล่าก็แต่เนื่องจากใจลอยนะก็เลยไม่ไม่เอะใจไม่เฉลียวใจว่าซุปมันไม่หมดชามสักทีนะคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะเรากินข้าวไปร่างกายก็กินข้าวกินผักส่วนใจมันก็กินของมันอีกแบบหนึ่งนะความคิด บางทีก็นึกถึงงานการนึกถึงวันที่จะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับลูกหรือวันนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เลยลืมนะไม่รู้ตัวว่ากินอะไรไปอันนี้เป็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของพวกเราไปแล้วนะ แต่ว่าถ้าเราหนะัหันมามีสตินะหันมาดูใจบ้างนะก็จะรู้ทันว่าออใจนี่มันเผลอคิดไปแล้วะดึงใจกลับมาอยู่กับการกินนะรับรู้ว่ากำลังเคี้ยวอะไรกำลังกินอะไรไม่ต้องดูรายละเอียดก็ได้เวลามีรสชาติอ ร, อร่อยก็รู้ ไม่ต้องถึงกับปล่อยใจเคลิ้มเพลินไปกับรสชาตนะิถ้าปล่อยใจเคลิ้มเพลินไปกับรสชาตินี้ก็กเรียกว่าลืมใจได้เหมือนกันนะก็ไม่มีสติอีกแบบหนึง่งนะเวลากินอาหารมันไม่มีสติหลายแบบนะลนักษณะเช่นใจลอยคิดเรื่องงานเรื่องการคิดถึงผู้คนที่เป็นห่วงใหยหรือไม่ก็ จมอยู่ในอารมณ์ที่เกิดจากเวทนาจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตามเช่นอาหารไม่อร่อยก็บ่นพึมพำอยู่ในใจอาจจะบ่นว่าเนี่ยทำไม่อร่อยเลยหรือว่าทําไมใส่พริกมากไปทําไมมันจืด อ, อย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกไม่ชอบปฏิเสธนะ หรือบางทีเจอพริกเม็ดโตโตเขา้ามันแสบมันร้อนมันเผ็ดนะก็ลองดูนะลองมีสติดูนะดูเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นความเผ็ดเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายแต่ว่าใจนี่ก็สงบได้ใการการเจริญสตินี่ทำได้แม้กระทั่งเวลาเรากินอาหาร ไม่ใช่แค่เวลาเราหลีกเล้นนะไปเดินตรงกลมสร้างจังหวะดังเดียวถ้าคนที่แม้กระทั่งคนที่เวลาชอบไปเพ่งไปจ้องความคิดพยายามกดข่มความคิดนี่เวลาสร้างจังหวะเวลาเดินตรงกลมอาจจะทําได้นะคุมความคิดได้ แต่ว่าพอมากินข้าวนี่ก็จะเห็นเลย ว, ว่าความคิดนี่มันกระเจิงนะมันเผลอมันแว บ, บไปได้บ่อยมากถี่มากนะซึ่งในแง่หนึ่งก็ดีนะเพราะว่าคนที่คอยกดคงความคิดคอยไปจ้องความคิดหรือว่าไปเพ่งที่กายไปเพ่งที่มือที่เท้าถ้าทําไปนานๆมันจะเครียดนะแต่ว่าตอน กินอาหารนี่แหละมันเป็นเวลาที่จะจะได้ผ่อนคลายนะผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัวกลับมาสู่ความเป็นปกติของกลับมาสู่นิสัยเดิม น, ะนิสัยที่ชอบฟุง้งซ่านแล้วก็จะรู้เลย ว, ว่ า, าการไปจ้องความคิดไปเพ่งกายในขณะที่ฉันอาหารหรือกินอาหารนี่มันทําได้ยากมากแล้วลองปล่อยใจให้เป็น ธรรมชาติดูแล้วก็ดูว่ามันเป็นอย่างไรมันชอบฟุ้งแค่ไหนมันปล่อยใจเพลินแค่ไหนถ้าเพียงแค่ดูเห็นอาการของใจตามที่มันเป็นจริงอันนี้ก็ช่วยได้มากแล้วเราก็ทําได้ทําได้มีโอกาสทําได้มากเลยนะจากการที่เรากินอาหารนี่แหละยิ่งมันเผลอง่าย นะก็ยิ่งได้เห็นใจของตัวเราเองว่ามันเป็นอย่างนีนะ้จะบังคับจิตให้มันเป็นไปตามใจปัจจนาของเราไม่ได้เลยให้เวลาเดินจงกรมสร้างจังหวจะจังทุกส่าเออเราบังคับจิตได้บางคนนี่บังคับจิตจนกระทั่งจิตมันนิ่งเลยนะความคิดมันไม่ออกมาเลยแต่ว่ามันแข็งมันหนักแต่พอกินอาหารเขานะหมดความสามารถที่จะคุมได้ เพราะว่าธรรมชาติใจเป็นอย่างนั้นเองคือมันไม่ใช่เป็นไม่ได้อยู่ในหน้าแนมหน้าของเราและเป็นอย่างนี้บ่อยมากได้ง่ายมากเวลาเรากินอาหารมันก็ได้เห็นเห็นใจของเราแล้วก็รู้ว่ า, าการไปกดข่มความคิดนี่มันไม่ได้ผลแต่ว่าถ้ามีสติรู้ทันนี่มันได้ผลกว่ามันเผลอคิดไปก็รู้ทันเผลอคิดไปก็รู้ทันกลับมามันจะคิดไปกี่ครั้งก็ก็รู้ทันทุกครั้ง เราฝึกอย่างนี้ได้นะจากการในระหว่างที่เรากินอาหารการกินอาหารก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ถ้าจ้าพุทธาการทำงานคือการปฏิบัติธรรมกินอาหารก็เช่นเดียวกันนะก็ปฏิบัติธรรมได้ที่จริงมันกินอิเรียกบมทุกอย่างนะไม่ว่าอาบน้ำถูฟันล้างจานกวาดบ้านซักผ้า ยิ่งกิจกรรมหรือว่าอีเลียบที่ไม่ต้องใช้ความคิดด้วยเนี่ยยิ่งเป็นโอกาสในการฝึกในการปฏิบัติได้เจริญสตนะิการทำสมาธิอาจจะต้องทำในห้องเล็กๆหรือว่าห้องที่เงียบๆนะไม่ต้องเกี่ยวข้งของกับผู้คนแต่ว่าการเจริญสตินี่ทำได้ทุกเวลานะทุกกิจกรรมทุกการงานแล้วก็เตรียมรับพร อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีประเมวสมีชาตุจงสำเร็จโดยชาพรชาชเพปูเรนตุสังกัป้าขอความดำริทางปวงจงเต็มที่จันโทปรณรโสยาทาเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชติรโสยาทา เหมือนแกะมณีอันสว่างสวัยควนดินดีสาพิธิโยปิวะันตกวานจารายทางปวงจงบำราชไปสาภโรคโควินาสตุโรคทางปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารโย ο. อันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายยโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืน อาภิวาธนาสิลิสณนิจางุทาปจายิโนจัตตารโรธรมมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังตามสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพาวาตุสาพมานคลัง ขอสาพระมงคลนจงมีแก่ท่านราคันตุสาพระเทวตาขอลาเทวดาทางวนจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนา้ดยอนุภาแห่งพระสง สาธาโสธิภวันตุเจขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดปฏิสังขโยนิโสปิฏฐปาตังปฏิเสวามีเนวาทวายานมาธายาณมัทนายาณวิภูสนายาญาวาเทวาอิมาสกายาสัจติยายาปนาญาสุภรัติยาพรหมจริยานุคาหายะ อิธิปุราณจเวทนางปฏิหังขามินาวันจเวทนานโนาเทศามิยาตาราจเมภวิสติอนาวาชาตาจภาพสุวิหารโรจานิ